คำอธิบายแสดงความสัมพันธ์อย่างง่ายข้อที่หนึ่งอวิชชาเป็นปัจจัยแก่สังขารเพราะไม่รู้ตามเป็นจริงไม่เห็นความจริงไม่รู้ข้อเท็จจริงไม่เข้าใจชัดเจนหรือไม่ใช้ปัญญาพินิษพิจารณาในขณะที่ประสบสถานการณ์นั้นๆจึงคิดปรุงแต่งไปต่างๆ เดาเอาบ้างคิดวาดภาพเอาเองต่างๆฟุ้งเฟอ้อวุ่นวายไปบ้างนึกเห็นมั่นหมายไปตามความเชื่อความหวาดระแวงหรือแนวนิสัยของตนที่ได้สั่งสมไว้บ้างตลอดจนตั้งใจคิดมุ่งหมายว่าจะเอาอย่างไรอย่างไรจะพูดจะทําอะไรอะไรเกี่ยวกับเรื่องนั้น 2. สังขารเป็นปัจจัยแก่วิญญาณเมื่อมีเจตนาคิดมุ่งหมายตั้งใจหรือใจเลือกที่จะเกี่ยวข้องกับสิ่งใดหรือรับรู้อะไรอะไรจึงจะเกิดมีวิญญาณคือเห็นได้ยินได้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสรู้คิดต่อเรื่องนั้นๆสิ่งนั้นๆโดยเฉพาะเจตนาจะชักจูงนำจิตนำวิญญาณให้รู้ไปตามคิด ให้รู้ไปกับการคิดให้รับรู้ไปในเรื่องที่มันต้องการปรุงแต่งเรื่อยไปไม่รู้จักจบสิน้นและพร้อมกันนั้นมันก็จะปรุงแต่งสภาพพื้นเพ ข, ของจิตหรือของวิญญาณ น, นั้นให้กลายเป็นจิตที่ดีงามหรือชั่วร้ายมีคุณธรรมไร้คุณธรรมหรือมีคุณสมบัติต่างๆตามแต่เจตนาที่ดีหรือชั่วนั้นๆด้วย 3. วิญญาณเป็นปัจจัยแก่นามรูปเมื่อมีวิญญาณที่รู้เห็นได้ยินเป็นต้นก็ต้องมีรู ป, ปรธรรมและนามธรรมที่ถูกรู้ถูกเห็นเป็นต้นอยู่พร้อมไปด้วยกันและเมื่อวิญญาณทำหน้าที่รู ป, ปรธรรมนามธรรมต่างๆที่เป็นตัวร่วมงานร่วมอาศัยกันของวิญญาณ น, นั้นเช่นอวัยวะที่เกี่ยวข้อง เวทนาสัญญาสังขารทั้งหลายต่างก็ต้องทำงานร่วมไปด้วยตามหน้าที่ยิ่งกว่านั้นวิญญาณขณะนั้นถูกปรุงแต่งให้เป็นอย่างไรมีคุณสมบัติอย่างไรนามธรรมาและรูปธรรมทั้งหลายที่แสดงตัวออกมาร่วมงานในขณะนั้นนั้นก็จะมีแต่จำพวกที่เป็นทํานองนั้นหรือพลอยมีคุณสมบัติอย่างนั้นไปด้วย เช่นเมื่อวิญญาณประกอบด้วยสังขารจำพวกโกรธเป็นตัวปรุงแต่งสัญญาที่ออกโรงด้วยก็จะเป็นสัญญาเกี่ยวกับถ้อยคำหยาบคายคำด่าตลอดจนมีดร้าอาวุธเป็นต้นรู ป, ปรธรรมเช่นหน้าตาก็จะบูดบึง้งกล้ามเนื้อขเขม็งเครียดเลือดไหลฉีดแรงเวทนาก็บีบคั้นเป็นทุกข์เป็นต้น เมื่อวิญญาณเป็นไปในสภาพอย่างใดซ้ำบ่อยนมามธรรมและรูปธรรม ท, ที่เกิดดับสืบต่อก็จะก่อเป็นลนักษณะกายใจจำพาะตัวที่เรียกว่าบุคคลิกภาพอย่างนั้น 4. นามรูปเป็นปัจจัยแก่สลายตนะเมื่อ น, นามรูปตื่นตัวทำงานพร้อมอยู่ในรูปแบบลักษณะ หรือทิศ ท, ทางอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นมันจำต้องอาศัยบริการของอายตนะใดๆเป็นสื่อป้อนความรู้หรือเป็นช่องทางดำเนินพฤติกรรมอายตนะนั้นๆก็จะถูกปลุกเร้าให้พร้อมในการทำหน้าที่ 5. ้าสลายตนะเป็นปัจจัยแก่ผัสสะ เมื่ออายตนะต่างๆมีผัสสะคือการรับรู้รับอารมณ์ด้านต่างๆเหล่านั้นจึงมีได้เมื่ออายตนะใดทําหน้าที่ก็มีผัสสะคือการรับรู้รับอารมณ์โดยอาศัยอายตนะนั้นได้ 6. ผัสสะเป็นปัจจัยแก่เวทนา เมื่อมีการรับรู้อารมณ์แล้วก็ต้องมีความรู้สึกที่เป็นเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งไม่สุขสบายก็ทุกข์ไม่สบายหรือไม่ก็เฉยเฉยเวทนาเป็นปัจจัยแก่ตัณหาเมื่อรับรู้อารมณ์ใดได้ความสุขสบายชื่นใจก็ชอบใจติดใจอยากได้อารมณ์นั้น เกิดเป็นกามตัญหาอยากคงอยู่อยากเข้าอยู่ในภาวะที่จะได้ครอบครองสยสุขเวทนาจากอารมณ์นั้นเกิดเป็นภาวะตันหาเมื่อรับรู้อารมณ์ใดเกิดความทุกข์บีบคั้นไม่สบายก็เกลียดชังขัดใจอยากรากอยากพ้นอยากกำจัดทำให้สูญหายไปเกิดเป็นวิภวะตันหา ถ้ารู้สึกเฉยๆก็เรื่อยๆซึมๆเพลินๆอยู่ในโมหะและติดได้อย่างเป็นสุขขเวทนาอ่อนๆพร้อมที่จะขยายออกเป็นความอยากได้สุขขเวทนาต่อไปข้อที่8ตัณหาเป็นปัจจัยแก่อุปาทานเมื่อความอยากนั้นแรงขึ้นก็กลายเป็นยึดติด เหมือนจับถือค้างอยู่ในใจวางไม่ลงเกิดมีท่าทีขึ้นมาอย่างใดอย่างหนึ่งต่อสิ่งนั้นถ้าชอบก็เอาตัวเข้าไปผูกติดเหมือนดังเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับมันใจคล้อยตา ม, มันไปอะไรเกี่ยวกับมันเป็นเห็นดีเห็นงามไปหมดอะไรกระทบมันเป็นกระทบถึงเราด้วยถ้าชังก็เกิดความรู้สึกปะทะกระทบ เหมือนดังเป็นตัวปรปักคู่กรณีกับตนอะไรเกี่ยวกับสิ่งนั้นบุคคลนั้นหรือภาวะนั้นให้รู้สึกกระทบกระแทกขัดพลักผละอยู่เรื่อยไม่เห็นดีไม่เห็นงามมันขยับขยื่นทำอะไรเป็นดังกระทำต่อเราไปหมดร้อมกันนี้ท่าทีไม่ว่าในทางชอบหรือในทางชังก็ตามย่อมเป็นเครื่องเสริมยำ้ำ และเป็นไปด้วยกันกับความยึดติดถือมั่นเชอชูคุณค่าความสำคัญของสิ่งต่อไปนี้คือสิ่งปรนเปรอานวยความสุขที่ถูกได้หรือถูกขัดถูกแย่งในวงเล็บกามความเห็นความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งทั้งหลายที่เกี่ยวข้องตลอดจนเกี่ยวกับโลกและชีวิตในวงเล็บทิฏฐิ ระบบแบบแผนข้อปฏิบัติพิธีกรรมวิธีการต่างๆที่จะให้บรรลุผลสำเร็จทั้งในทางที่จะได้และที่จะเลี่ยงพ้นในวงเล็บสีลวัตและความรู้สึกเกี่ยวกับตัวตนที่จะได้หรือที่ถูกประทะขัดขวางในวงเล็บอัตตวาฏ ข้อที่เกอุปาทานเป็นปัจจัยแก่ภพเมื่อมีความยึดถือมีท่าทีต่อสิ่งบุคคลหรือภาวะอันใดอันหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งคนก็สร้างภพหรือภาวะชีวิตของเขาขึ้นตามความยึดถือหรือท่าทีอย่างนั้นทั้งในด้านกระบวนกรพฤติกรรมทั้งหมดในวงเล็บกรรมภพ เริ่มแต่ระบบความคิดหรือนิสัยของความคิดออกมาและในด้านบุคลิกภาพทั้งรูปธรรมและนามธรรมที่เป็นลักษณะหรือภาวะแห่งชีวิตของเขาในเวลานั้นในวงเล็บอุปติภพเช่นกระบวนพฤติกรรมและบุคลิกภาพของคนอยากร่ำรวยคนชอบอำนาจคนชอบเด่นดังคนชอบสวยงามคนชอบโกเก๋ คนเกลียดสังคมเป็นต้นข้อที่10บภพเป็นปัจจัยแก่ชาติเมื่อเกิดมีภพที่จะเข้าอยู่เข้าครอบครองเฉพาะตัวแล้วก็ปรากฏตัวตนเป็นความรู้สึกระหนักอันชัดเจนที่เข้าอยู่ครอบครองหรือสอดสวมรับเอาภพหรือภาวะชีวิตนั้น โดยมีอาการถือหรือออกรับว่าเป็นเจ้าของพบเป็นผู้เสวยผลเป็นผู้กระทําเป็นผู้รับการกระทบกระแทกเป็นผู้ชนะผู้แพ้เป็นผู้ได้ผู้เสียเป็นต้นอยู่ในภพนั้นข้อที่11อชาติเป็นปัจจัยแก่ชรามรณะ เมื่อเกิดมีตัวตนเข้าอยู่ครอบครองภพหรือภาวะชีวิตนั้นแล้วการที่จะได้ประสบความเป็นไปทั้งในทางเสื่อมและทางเจริญในภพนั้นก็ย่อมต้องมีขึ้นเป็นธรรมดาทั้งนี้รวมไปถึงการที่จะเสื่อมถอยด้อยลงในภพนั้นการถูกกระแทกกระเทือนและการที่จะสูญเสียหลุดหล่นออกไปจากภพนั้นด้วยโดยเฉพาะการที่ต้องถูกคุกคามห่วงกังวล เกี่ยวกับความเสื่อมสูญจากพพนั้นและการที่จะต้องคอยรักษาพบนั้นอยู่ตลอดเวลาความลดด้อยถอยเสื่อมสูญเสียและการคอยถูกคุกคามเหล่านี้ล้วนนำโซกะปริเทวะเป็นต้นคือความทุกขมาให้ได้ตลอดทุกเวลา